ขอันบนำต่อพระรตรีถวายความเคารพเมียหลพื่อนสากการาทำมิตรรวมเจริญเพลินเจริในธรรมรันดร์ธรมอุบาสกาสิกาทุกท่าน เ้านี้ก็เป็นเช้าวัังการวันที่เก้าเมษา ย, ยนต่้อยก็เป็นแลม14คำเดือน5น้าณภูมิตอนเช้าขณะนี้ก็ ประมาณ 20-21 อนะงศาเซลเซียสก็ถือว่าหนาวรื่ว่าอากาศดีพอสมควรเราก็ตื่นมาเช้าๆทำวัดสวดมนต์กันเป็นกิจกรรมของชุมชนเป็นศาสนพิธี มาได้สวดได้น้อมคำบาลีไทยรู้ท้งอัฏถะรู้ทางพยัญชนะพยัญชนะก็คือข้ไก่ข้ไก่แล้ก็เปล่งเสียงกันออกมาอัฏถะหมายถึงความหมายที่มันลึกที่มันลึกเช่นโอวตปาติโมกเงี้ย น, นะ พระเจาได้กล่าวกับบ่าพระลหันหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบคนคนที่ไม่มีความทุกข์่ะหนึ่งพันส้อยห้าสิบคนมารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายที่มารวมตัวเพราะว่ามันเป็นวันสำคัญของประเทศอินเดียเป็นวันสงกรานน่ะละกแล้ว วันใสลายปายสีก็ใส่แป้งเอาแป้งมาละลายน้ำมัง้ะศาสตร์ใส่กันสีเหลืองสีแดงสีขาวบางทีกาแป้งปุ่นเลย้อยใส่กันแขกตัวดำดำแล้วลอะแป้งสีแดงๆผมแด ง, แดงก็เคยได้เห็นม ้ก็รวมตัวกันประสงค์ว่านึกถึงพระเจ้าพระเจ้าก็กล่าวว่าเออเนี่ยรดมการของชาวพุทธหลักการของชาวพุทธมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะ <c oughs> ถ้าประสง์ทั้งหลาย <c oughs> จะไปเผยแพ่ธรรมก็จงบอกหลักละชั่วทาดีแล้วก็ที่แตกต่างจากทุกๆกศาสนาคือชระจิตให้ขาวรอบ มันถินเครื่องเศร้าหมองก็ต้องชำระล้างจนใจใสใจสะอาดแล้วบอกอุดมการของชาวาพุธบอกถึงว่าให้มีกรารถอนหนอดแกล้มไม่พูดร้ายไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายทำพระนิพพานให้มันแจ้งเงินมาเมือ่อวันกีเราสวดกัน มันก็รู้อัตล ะ, ะรู้พยัญชนะความหมายลึกซึ้งบาลีไปเป็นไทยแล้วก็ยิ่งมาสวดปัดฉิมโอว่าทําห้เราเห็นว่าพระเจ้าสอนมา45ปีหลังจากบรรลุธรรมพูดหลายเรื่องหลายราวธรรมมันมีมากมายเหลือเกินภาษ า, ษ า, ษาษาพุทธศาสนาบูดา 84,000 พัะธรรมคัญ ร่ ง, งกายเรื่องของวาจาเรื่องของ จ, จิตใจเรื่องวัสดตรพระธรรมพระวินัยอย่าง น, น้กายวาจาใจของเราเรื่องจิตใจนี่มีเยอะสี่หมกว่าเรื่องของวาจาสอง0มื 20, กว่าเรื่องของร่างกายสองหมื 20, กว่าท่านก็สรุปรวบยอดเอาไว้ อัปมาเทนะสัมปาเททะตรงนี้และขีดเส้นแดงทึบๆเอาไว้หลายๆเส้นก็หมายถึงว่าท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดท่านที่ทำให้เกิดความไม่ประมาทคือสติสัมปญญาที่ประมาทไปว่าจิตมันคิดมันหลงมันเผลอมันคิดลืมเนื้อลืมตัว ดีชอบไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปสู่วัตถุที่เราวัตถุกามคุณวัตถุมีภายนอกแล้ววัตถุมีภายในรูปเนี่ยเป็นภายนอกตอนนี้เรามองเห็นกันเนี่ยต้นสาวแสงไปสังกะสีมีพระมีโยมมีแม่ชีอันนี้เป็นวัตถุกระทบได้ด้วย อายะนบภายในแล้วสลายยตนะนั่นะหรือว่าเสียงมากระทบทางหูเสียงก็เป็นวัตถุเป็นรูปเหมือนกันพลังงานก็เป็นเดซิเบลนี่นะมันมากระทบหูเรามันมีระบบประสาทมันก็รับได้ รวบรวมมารรปรุงแต่งต่อระลึกนึกคิดปรุงแต่งแล้วแต่จิตมันจะโง่ามากโง่น้อยฉลาดมากฉลาดน้อยมันจะเห็นตามะระดับขั้นตอนนี่แหละระลึกสติระลึกได้ทันนึกเอคิดปรุงแต่ง ปรุงแต่งคือมันยาวไปแล้วเดี๋ยวลวผลมันเกิดขึ้นมาเป็นความพอใจไม่พอใจสุขทุกข์เราก็จึงต้องฝึกการรู้เท่ารู้ทันกันกระทบสัมผันหมว่าจิตคิดนึกปรุงแต่งอันนี้ก็เป็นรูปเหมือนกันรูปของวัตถุ มันจะเกิดมากี่ปีแล้วก็ตามตลองระลึกนึกถึงมันอันนี้ก็ยังพอปลอดภัยพอที่จะทนได้ระลึกนึกเนี่ยนะแต่ทลองถ้าปงแต่งนี่ยาวเรื่องไม่เป็นเรื่องเดี๋ยวเป็นเรื่องเกินมาได้ของยังไม่รันหาย ใ, หใจเราก็ทุกก่อนได้เรายังไม่ทันได้น มีปัญหาเราก็คิดให้มีปัญหาก็าสามารถคิดได้่องจริงๆยังไม่เกิดอย่างเช่นโลกแตกเนี่ยนะก่อนหน้าก่อนปีใหม่ก็ร่าลือกันว่าโลกจะแตกน้ําจะท่วมเดี๋ยวนี้ก็บางคนก็ยังเชื่อเชื่อตือนตนกุกมันก็ดีอยู่แต่ว่าควรจะเจริญสติให้มากๆอไม่ว่ามจะเกิดอะไรขึ้นะ มันก็ไม่เป็นไรหรอกขนาดความตายมันเกิดแน่ๆกับเราเรายังไม่เคยจะกลัวกันเลยประมาทกันมากบางทีก็กลัวจนกระทั่งเสียศู์ทำอะไรกันไม่ได้แล้วอันนี้ก็หมายถึงว่าขาดความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวไม่ต้องพูดถึงว่าอาการหงดงิดอาการวิตกกังวล อันนี้มันสิงสถิตยอยู่ในชีวิตของเราเลยแตาไม่มีความรู้สึกตัวเผลอหลงอันนี้แหละคือความประมาทความไม่ประมาทคือกลับมารู้สึกตัวฝนะึกสติฐานตัวกลางที่รู้สึกตัวอยู่นะขนะนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันขนาดเห็นการเคลื่อนไหวที่เป็นเอง การเคลื่อนไหวที่เป็นเองเช่นลมหายใจเขา้าออกตากระิบหันซ้ายหันขวาร่างกายเขเก่งก็าคลายการนั่งก้นไปกระทบกับพื้นอย่างนี้นีน่คือความเป็นเองความรู้สึกเราเนี้ยมันละเอียดสติน้อ ย, อยสติประฐานน้อยมีกันคนละน้อ ย, อ ย, อยสติทารก่อนะต่อแตะต่อแตะสติหัดคลานมันตามไม่ค่อยทานหรอก มันตามไม่ก่อยันแล้ก็จึงนี่แหละมาฝึกการเคลื่อนไหวหเจตนากระทําขึ้นมากา ร, รมาทานต้องมีเจตนากา ร, รดีกา ร, รชั่วต้องมีเจตนามันถึงจะให้ผลถ้าไม่มีเจตนาใส่ไปก็เรียกกตตกรรมกตตกรรมคือกรรมที่เป็นโมคะโมฆะบุรุษโมฆะสตรีโมคะชีวิต ล้มเหลวเลื่อนลอยทำอะไรก็ไม่สำเร็จไม่เป็นโลเป็นภัยเลยเป้าหมายไม่ชัดเจนเราก็จึงมีการกากับเราก็จะมีการ ก, ก, ก, การกหนดเบื้องต้นเลยมีการตีกรอบมีขอบมีเขตให้กระจิตของเราให้รู้รู้อยู่กับปัจจุบันตรงนี้เป็นหลักการฝึกหัดเบื้องต้นเลย ทำไมเราเห็นความรู้สึกตัวได้ชัดที่สุดเราก็ผลิตขึ้นมาวินาทีหนึ่งเคลื่อนไหวรู้สึกคั้งหนึผลิตขึ้นมาต่อเนื่องเชื่อมโยงตรงนี้แหละจึงต้องหาเวลามาหรือว่าช่วยโอกาสบางทีอาจจะไต้องหาเวลาช่วยโอกาสเลย<ม>เคลื่อนไหวรู้สึกตัวเคลื่อนไหวรู้สึกตัว<ม>เจตนากหนดรู้กำกับเอาไว้ ยกตัวอย่างอ้างอิงนิดหนึ่งเช่นข้างๆเนี่ยกำลังกอ่อสร้างเ่เสามาจากพื้นฐานก็คือฐานลากจึงเราก็ต้องมีพื้นฐานมีฐานลากของชีวิตเราเราใช้กายของเราเป็นเครื่องอยู่ใจมันอยู่กับกาย จิตเป็นนายกายเป็นเบาเสร็จแล้วกายนี่ยมันสัมผัสจับต้องได้ชัดเจนเสร็จแล้วมันก็เป็นรูปแบบด้วยจิตของเราที่เคยเหลวไหลไปคิดนั่นคิดนี่คิดโน้นอดีตอนาคตคิดรักคิดจังคิดโลภคิดโกรธคิดหลงคิดละขี้น้อยใจคิดละขี้เหงาขี้ว้าเวคิดแล้วก็สับสนคิดแล้วก็สุกๆุทุกๆ นเผอแล้วก็ใส่แบบให้มันเหมือนกับคอนกรีตที่มันเหลวแล้วมันก็ไหลมันจะขึ้นรูปทำประโยชน์ขึ้นไม่ได้จะทําให้ไวก็ต้องมีแบบไม่ใช่งานปั้นปั้นน้ําเป็นตัวไม่ใช่แต่มันเป็นงานที่เราจะต้องทําให้สําเร็จแล้วก็ทันอกทันใจนะต้องใส่แบบ ทำอะไรก็ต้องมีหลักสูตรทำอะไรก็ต้องมีแบบชัดเจนแบบสี่เหลี่ยมแบบวงคมแบบสามเหลี่ยมเอาคอนกรีตถึงมีหินมีทรายมีปูนมีน้าในสัดส่วนที่พอมพอควรสองส่วนสี่ส่วนหนึ่งส่วนปูนหนึ่งส่วนทรายสองส่วนหินสี่ส่วน เขาบากว่ามจะรับสตริงได้ดีที่สุดเราก็สามารถทดสอบได้ด้วยเครื่อง u n i v e r s e l ใช้แรงบดอัดของกลยอทาทิการอัดลงไปเราจะรู้ทันทีว่าสตริงมันรับได้เท่าไหร่หมาว่ามันเป็น KSC ยกตัวอย่างเป็นต้นทีนี้ใจของเราเนี่ยมันเหลวไหล มันชอบไหลไปสู่ภพภูมิเปลกจันนรกอสุรกายอบายภูมิมันไหลไปนะแปลกก็คืออยากอยากไม่หยุดอยากนั่นอยากนี่อยากโน่นเช่นบางคนเนี่ยสงกรานต์ยอยากมาวัดป่าสุกโตหรือมีปัญหาเนี่ยอยากมาวัดป่าสุกโตอยากมามากยังไงก็ต้องมารถติดขนาดไหนเดี๋ยวก็ต้องเคลื่อนตัวมา จะประมาเสร็จพอเข้ากรรมฐานก็อยากกลับอยากกลับอยากกลับไอ้นก็นไปพอใจไอ้นี่ก็ไไปถูกใจอากาศกันหนาวไปกลางคืนกลางวันกันร้อนไปพอนั่งปฏิบัติแมนวีก็มาตอมเดินตามป่าหมัดหมาก็กระโดดกัดบางทีไก่ขันดังก็หนัวหูบางทีเดินตัดหน้าตัดหลังไก่เดินจงกรมอยู่ไม่ได้บางคนก็อยากแยง มันทีก็ผู้ตส่าหนี้มาหนีคนหนีเมืองมาก็มาเจอคนเยอะๆที่วัดป่าสุกโตอย่างเงี้ยโอ้ยอะไรกันนักกันหนานอะมันจะอยู่ได้ที่ไหนนาะโลกไปเนะี้ยบางคนคิดจะอยู่ดวงจันทร์อยู่ดาวอังคารเศรษฐีตอนนี้ก็พยายามนะระดับโลกนะถ้าโลกนี้แตกก็อยู่อยู่ดวงดาวอังคารนี่แล้วพยายามกันไปวิจัยองค์การนาซา มันอยู่ที่ไหนไม่ได้หรอกถ้าหาว่าขาดความรู้สึกตัวเพรความรู้สึกตัวต้องฝึกหัดพอสมควรอีกอันคือมันชอบไหลไปทางสุขติภูมิสวลเก่งทําดีคิดดีติดดีบุญนิยมมันนิยมแบบนั้นนะมีความนิยมความดีความงามมันก็ดีอยู่แต่ว่าถ้าติดดี อวดดีบ้าดีวานนี้มันก็ไม่ดีหรอกหลงดีมันจะต้องเห็นทั้งดีทั้งไม่ดีขณะปฏิวัติธรรมมันแสดงกบางทีเป็นเปลเป็นสนะนิลร้อนรวมงดหงิ ด, งดบางทีขี้ขาดหวาดกลัวก็หนะ่อาอสุรกายบางทีก็เป็นจิต เมตตากรนาเมื่อตาเบาีกขาเห็นอะไรก็สงสารไปหมดมันไหลแบบนี้จิตถ้าเราไม่กั้นข้อให้มันโอ้คุ้มดีคุ้มร้ายทีเดียวตอนตื่นยันหลับมันคิดอะไรก็ได้เราเห็นแล้วว่าไม่ใช่มันจะต้องมีทางอีกพระเจ้ากชี้ทางไว้อย่างชัดเจนและชำระจิตให้ขาวรอบเลิกขาวก็ชำระความเมื่อสีขาวมันกันทลาย ขับรถลองเข้าไปในหมอกควันสีขาวอยู่ๆมีคนเขาเผาฟางหรือว่าเผาป่าอยู่ข้างทางแล้วควันลมมาบนถนนลองขับรถไปดูทำไมระวังระเอเผอไปชนกันอยู่ในหมอกควันคนทำดีทุกประความดีมีเยอะเหลือเกินทุกจริงๆทงั้งทำดีทั้งน้ำตา ทำชั่วแล้วหัวเลาะเลิงล่างมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะนั้นสีขาวมือสีขาวก็ต้องระวังแล้วจะได้เห็นเวลาปฏิบัติธรรมมันคิดดีมันไม่รู้สึกตัวมันก็เดินไปคิดไปก็ดีแหละปัญหาเกา่าๆก็ถูกแก้ได้บางทีเอากระดาษปากกามาจดได้ซ้ำไปคิดออกมามันดีจริงๆบางทีบางประโยน์ปิ้งขึ้นมาโอ้ อันเนี้ยให้กลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันมีอีกทางหนึ่งก็คือทางที่เดินทางไปสู่มากผลนิพพานหรือว่าคืนสู่ความเป็นปกติของจิตเราก็ตึงต้องมีแบบกันนะ้อยหน่อเห็นกายเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเดินจงกรมนั่งสร้างจังหวะเราฝึกหัดจิตกันมันไหลไปแล้วก็กัน้นน้อยเหมือนแบบคอนกรีตนั่นแหละจนกระทั่งมันเซตตัวคอนกรีต หินทรายโูนน้ำน้ำค่อยๆแห้งเลยไปมันก็จะแข็งตัวแข็งตัวแข็งตัวถ้าเป็นแบบข้างคานข้างเสาวันเดียวแกออกได้เลยถ้าเป็นแบบที่อยู่ใต้คานต้องรอแวะอย่างน้อยก็สิบสี่วันสิบสี่วันถึงแกได้ ระหว่างที่จะแก่ก็ต้องบ่มฉีดน้ำรดให้ชุ่มชื่นอยู่ตลอดมันมีหลักการมีวิธีการมีเทคนิคนะเนพราะผลพิสูจน์ออกมาแล้วว่ามันแข็งแรงจริงๆเหมือนใจเราเมื่อเราเคลื่อนไหวรู้สึกเนะี่ยจนจิตตั้งมั่นนะเป็นสมาธินะแข็งแรงเเราสามารถรับแรงได้เ ห, เ, เหมือนกับต้นเสาเหมือนกับคานเวลาทํางานก่อสร้างเหมือนกันเดะเลย จิตใจมารับแรงได้ไงเช่นมีแรงนินทามากระแทกเราเฉยได้มีแรงสรรเสริญมากระแทกนะเราเฉยได้มีราบเสื่อมราบมียศเสริมยศมีสุขมีทุกข์เราอยู่กับโลกธรรมแปดยังไงยังไงก็ได้เจอวิวาทยังไงยังไงเราก็ได้เจอวิวาทวิวาทะเป็นวิวาทะกระโมลทุกข์ยังไงก็เจอ หรือว่าทุกเกิดจากการขนวาย ห, หาอาหารมาใส่ใตัวอาหารปาริเยที่ทุกชื่อมันมีบอกทุกเพราะสันตะปาปาทุกสันดาบเช่นเข้าใจว่าสันดาบไหมอย่างรถเดินจีงแตงมันสันดาบนะมันสันดาบจากทางความร้อนพลังงานความร้อนอัดเครื่องจักรกลลูกสูบอะไรทำงาน เชื่อมยงต่อเนั้นงจนล้อหมุนใจของเรามันโดนสันดาบเหมือนกันเช่นความโลภความโกรธความหลงความรักความชังอารมณ์ใดที่จะมากระทบจิตของเราทําให้จิตของเรามันมีพลังขึ้นมาพลังของความรู้รู้พลังของความหลงมันขับเคลื่อนกายว่าใจของเราการแสดงออกทางกายว่าใจของเราตอนนี้เห็นกันได้ชัดๆเลยตอนนี้ ใครนั่งแล้วโดนอารมณ์มันกดหัวลงไปนะเห็นได้ชัดๆมันจะกดหัวลงไปเลยแลหละหลังคอมงอใกล้เป็นสัตว์เดรัจฉานทุกทีเลยเราได้สุดเป็นความโง่สัตว์เดรัจฉานนี่มันขนานกับพื้นโลกไนงะมนุษย์เป็นปั้นฉากสมองดีใช่ปะเพราะฉะนั้นใครมาจากสวรรค์เนี่ยเห็นชัดๆเลยนั่งตัวตรงหลังไม่คมอมกาตมานี่แก่แล้วนะตอนน้องอารโนโลไหมบ้างเนละ แก่กระดูกมันงอมันงอนงพยายามฝืนอยู่แต่พอฝืนแล้วมันเสียอย่างนิสัยเสียตรงนี้ว่าอกมันโตอกมันโตแล้วก็ไอปีกมันก็ออกแขนมันกลางพอนั่งรู้สึกท่อมๆตัวหรือว่าผู้หญิงเวลาวัยรุ่นเน่ยะเวลาก็รู้สึกว่าจะละอายก็จะท่อมๆโอๆไหล เราก็สังเกตที่ตัวเรากันความรู้สึกตัวนี่มันเป็นข้อเป็นกรอบเบื้องต้นเลยให้จิตใจของเราไม่ไหลหลงไปทางตาหูจมูกกายใจยังมีนิทานธรรมก็เล่าให้ฟังเป็นนิทานชาดกนิทานธรรมมีหมาเอารูปหมาตัวแม่กับลูกก็เดินไปด้วยกันคั น, นี้ก็ไปเจอคนตายไปเจอซากศพเลยนะ มามเห็นซากศพก็จะไปกินซากศพนะโดยเฉพาะตัวลูกนะโอ้น้ำลายหกแม่แม่แม่แ ม, แ ม, แม่หนูจะกินลูกตามนุษย์นะดูสิตายตาโตเจ้าหนูจะกินหนูจะกินะแม่มันลองกินดูสิมันดีที่ไหนลูกตามนุษย์เนะ่ยมันอิจฉาตาลอนนะถ้ากินไปเนี่ยโอ้โหเป็นพิษเป็นภัยดีแล้วลูกจะไปกิน งั้นหนูกินจมูกมันก็ได้ขงก็ดูกอ่น อ, อนๆกรุบๆนะโอ้ยอย่าไปกินลูกมันที่วาหาดอมของเหม็นของหอมจมกูมกมันเนียโหสกปรกงั้นหนูกินลิ้นมนุษย์ก็ได้นะลิ้นมันควรจะน่ากินนะนะแม่นะนะดูสิโอ้อย่าไปกินลูกลิ้นมนุษย์เนี่ยมันกลับกรอกลิ้นสองแฉกสามแฉกมันโกหกเก่งมันใช้ลิ้นมันบิดไปบิดมาลูก โอ้แม่ถ้างั้นหนูกินหูโอ้ยอย่าไปกินเลยหูอ่ะมันฟังแต่เสียงก็นินทานมันฟังแต่เสียงข่าวไายป้ายสีกันมันฟังเพราะฉะนั้นหัวของมันไม่ดีเลยอย่าไปกินลูกโอแม่ถ้างั้นหนูกินหัวใจมนุษย์กันแล้วกันนะโอ้ยอย่าไปกินมันไายลึกหัวใจมนุษย์เนี่ยนะอย่าไปกินเลยลูกถ้านหนูกิน หัวใจมนุษย์เนี่ยแม่จะกัดให้ดูถ้าเป็นคนก็จะตีใช่ไหมไอ้ลูกหมาเลยอดกินเลยซากศพมนุษย์นะแล้วมันก็เดินกระดิกหางทำหูตูบเดินตามแม่มันไปแล้วมันก็หันกลับมามองซากศพแล้วมันก็ด่าว่าโธ่ไอชาติมนุษย์มันดา่าไอชาติมนุษย์ตลอดด่ากันลอดด่ากันไง ไอชาติหมาใช่ไหมเราก็โดนหมามัน ด, ด่ายชาติมนันนุมกันนะะฉะนั้นตาหูจมิ้นกายใจของเรนมันมันเป็นทวานเราก็จึงต้องรู้สึกตัวกำกับเอาไว้ห้าสิบห้าสิบอย่างน้อยใจงเราแบ่งมารู้สึกตัวที่ฐานกายจะห้าสิบเป็นหลักเป็นฐานอีกส่วนนึ้งก็เปิดๆ เ, ดเดอาไว้ใจจะไม่ได้ไหลไป างตาร้อยรทางหู1้อยเปอนตจอินออกไปนอกตัวลืมเนื้อลืมตัวในเพราะความคิดเนี่ยทุกครั้งที่มันคิดขึ้นมานะหลงเผอเข้าไปเนี่ยมันเป็นภพชาติเลยแต่พอมารู้สึกตัวเพามันคืนสู่สภาวะปกติขนาจิตนั้นเลยทันทีทำให้มากๆมันก็จะได้ปกติเต็มพื้นที่ของจิตใจเราตรงนี้แหละชีวิตมันจะเกิดพลังขึ้นมา เป็นลังของความเป็นปกตินะข อ, อความเป็นปกตินะไปคิดขอความเป็นปกตินะไปพูดขอความเป็นปกตินะไปทำทำงานทําการด้วยใจที่เป็นปกติวันทั้งวันเราจะเจอมากมายเหลือเกินที่มันเป็นอารมณ์ของโลกใบนนีะ้เป็นความทุกข์ที่เกิดกับกายกับใจของเรากายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างเมื่อสักประมาณ5้าวันก่อน ไปให้อารมณ์คนป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเมื่อวานนี้ญาติมาบอกแล้วว่าตายแล้วตายเรียบร้อยแล้วตอนนี้วางศพเอาไว้ที่วัดในหมู่บ้านก็ก็มาบอกมาก่าวเป็นกระถามว่าเป็นไงบ้างก่อนตายนี่เขาก็ไปให้มอร์ฟีนคนไข้เจ็บปวดมากมอร์ฟีนเสร็จแล้วก็ตายอย่างสงบ ก่อนหน้าเขาก็พันพินัยกรรมบอกถึงงานศพเอารูปไหนแต่งชุดอะไรแล้วก็มีลูกบุญธรรมมีสมบัติอะไรก็แบ่งให้มรดกก็เรียกว่ามีสติพอสมควรเหมือนกันเตรียมตัวก่อนไปเราถึงต้องฝึกกันเราเห็นว่าเวลาเราฝึกเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นมาเหมือนเหมือนกันนะ พูถึงอารมณ์ปฏิบัตินม่เหมือนตัวหนึ่งคือเราพยายามที่จะรู้สึกตัวอีกตัวหนึ่งก็คือมันมีอารมณ์ซ้อนๆขึ้นมาเช่นความเจ็บความปวดความเมื่อยอันนี้เราต้องใช้ขันติลงไปก่อนเบื้องต้นเพื่อจะได้เกิดตาบะกายยินเสียงจะได้แก่กล้าเข้มแข็งขึ้นมาเกิดตาบะนั่งได้นานขึ้นหนาทีสิบนาทีสิบานาทีครึ่งชั่วโมงนะจนเป็นหนึ่งชั่วโมง หนึ่งวัน น, นันนานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นถ้าเราต บ, บะบางทีอาจจะมีความง่วงนะความง่วงมาสอนให้จริงเรามีพลังเหมือนกับเรายกดัมเบลยกของหนักพอยกขึ้นวันที่สองมันก็สามารถเพิ่มน้ำหนักขึ้นได้อีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยความง่วงมาให้จิงเราได้เหมือนกับว่าทะลุทะลวงผ่าน จิตทะลุทะลวงผ่านความม่วงอะเบื้องหลังความม่วงมันมีปิติสุขให้เรามันมีความเป็นปกติให้เรากําลังของจิตจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะีบางทีก็มีความคิดความคิดมาสอนเราว่าเนี่ยสมมติฐานของการคิดเนี่ยนะมันคือความทุกข์มันเกิดขึ้นตรงนี้แหละว่าไหวถ้าเรารู้สึกว่ามันว่าไหวได้ก็แสดงว่าสติมันคม สติมันว่องไวจากสติที่ดูกายเนี่ยมันเริ่มดูเห็นจิตคิดมันเริ่มพัฒนาแล้วละ่ะอย่าไปรังเกยียจความคิดมันยิ่งคิดเรายิ่งยึด ย, ยิ่งรู้คิดเท่าไหร่รู้เท่านั้นรู้สึกตัวรู้สึกตัวขณะคิดเพราความคิดมันก็เกิดในสมองของเรานั่นแหละบางทีนะ่ยมันก็เหมือนกับผลักเช่นลองสังเกตดูนะเวลานอนคนะวามคิดมันผลักแรงมากเลย เวลาเรานอนวางไม้วางมือดีๆนะวางจิตวางใจดีๆเส็จแล้วใจมันวิววิววิวอยู่ ๆ, ๆ, ๆ, ๆมีความคิดเกิดขึ้นมานิดเดียวเครื่องมันกต็ตกเลยพวดทั้งตัวเลยเคยไหมสลัดมือเคยไหมสลัดขาประเผือให้เพื่อนโดนข้างโดนเตะอย่างเงี้ยเคยไหมมันกระตกเฮือกเลยเงี้ยนั่นแหละความคิดเนะี่ยดูให้ดี อธิบาเห็นบ่อยมากในตัวเนี้ยสมัยก่อนนะเดือนนี้ไม่มีสมัยก่อนอา้าวเฮยยิมตัวความคิดนี่นะพอวางกายวางใจดีๆแล้วตอนปฏิบัตินี่ไม่เห็นไม่ทันแต่ตอนนอนเนะอ้าวเฮยกระตุกอีกแล้วมันยิ้มเลยนะเวลาเราเห็นความคิดรู้เท่าทัานหลวงปู่เทียนเนี่ยเหมือนกับโดนผลักด้านหลังท่านผู้เราเหมือนโดนผลักและดัานหลังเดินจงกลมอยู่นเน่ะอ้าว อะไรเนี่ยมาผลักเรานี่อะไรก็เดินไปเดินกลับมาพระจินเป็นสมาธิเอาอีกแล้วเดินผลักอีกแล้วก็ตกสะดุง้งเหมือนคนละเมอนะคนละเมอก็คือความคิดทั้งหมดนั่นแหละวันไหนวันหนึ่งเคยละเมอไหมเตื่นขึ้นมาอาตมานี่เคยนะถึงขั้นเดินลงมาจากบันไดเลยชั้นสองลงมาชั้นหนึ่งแล้วมัน มานั่งยองๆอยู่ข้างบ่อน้ำเสร็จแล้วก็เอามือไปกวานตาก็หลับนะแม่ก็ลงมาแล้วก็มาโจงขึ้นไปไปนอนอาตมามีความรู้สึกเลยว่าวันนั้นนะอาตมาฝันฝันว่าลงมาจับปลา ฝันว่าจับปลาแล้วก็ลงมาลักขมือนะจับปลาอาการของเราเราเห็นเลยเรากำลัลงจับปลาจำไม่ลืมอีกครั้งหนึ่งก็คือละเมอฝันฝันว่าลุกมาปัสสาวะแล้วนอนอยู่เช้าๆอากาศหนาวหนาวเย็นๆขี้เกียจโุกอายมแล้วก็ก่อนนอนเนี่ย ทานแตงโมไปเยอะทีนี้มันก็ฝันว่าไปห้องน้ำเดินมาแล้วจะถึงห้องน้ำแล้วอ๋อถึงแล้วถึงแล้วแล้ว แ, แม่เกือบไม่ทันแน่ว่าเสร็จแล้วมันก็เฉี่ยวไงปรก็วเปียกหมดเลยทั้งเนื้อทั้งตัวนะใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างยกมือขึ้นเยแล้รที่นอนยกมือไม่ใช่โตนะตอนเด็กๆจำความได้ฮะ ถ้าคืนโตยังเยี่ยวรถที่นอ น, นยัต้องอยู่ปฏิบัติธรรมต่ออีกสักสิบห้าวันโยมเ น, นี่ยก็คือความคิดมันพาคิดพาพูดพาทาเนี่ยเราก็ได้เห็นแม้ทั้งหลับความคิดมันยังมีพลังอยู่มีอำนาจอยู่เราก็จึงต้องฝึกต้องหัดกันให้จิตมันยังอยู่ในขอบในขอบในเขตในะแต่ล ก, กรอบของการรู้การเคลื่อนไหวของกายในรูปแบบ เรามาที่วัดป่าสุกตเราใช้รูปแบบที่หลวงปู่เตียนจิตโสภท่านได้ได้เห็นประโยชน์นะแล้วก็นํามาเผยแพร่จริงๆแล้วก็มาจากองค์สมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้านั่นแหละในมวอที่เรียกว่าสัญญันธยาปภะมันก็มีอยู่จากเมื่อกลูเราดนะูอัตโนบะวัติของหลวงปู่เตียนจิตโสภท่านบอกมาไอสิ่งนี้หลายคนบอกว่าไม่มีแต่ตำรา ไอ้รูปแบบ14จังหวะถึงไม่มีในตำราแต่เพออนุโลมได้ว่ามันมีอยู่ในพสูตรการคู่การเหยียดการเคลื่อนการไหวเลนะแต่ที่แน่ๆคือเดินยงกลมมีแน่ๆการเดินไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังมีเลยหมวจารย์ญรับภาพพูดไว้การเดินยงกลมภิกษุเธอจงมีความรู้สึกตัวทั่วพในการก้าวไปข้างหน้าถอยมาข้างหลัง นีคือการเดินจงกรมเท้าเคลื่อนไหวกรณีที่เราใช้มือเคลื่อนไหวนะมันก็คือเท้านั่นแหละอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายเราการเคลื่อนกันไหวระบบเนื้อเอยื่อประาทกระดูกก็เหมือนกันเป็นความรูน้นวรดรถตัวอ่ะทีนี้ลมหายใจมันก็ใช่อีกแล้วเนะี่การเคลื่อนการไหวเนะี่ลมบันดันไงไฮดรอลิกลมทานลมบันดันทานน้ํา มันมีเลือดใช่ไหมมีน้ำเหลืองใช่ไหมมันดันระบบประสาทเป็นเซลล์เล็กๆใช่ไหมจนทั่งเป็นเนื้อหนังเอ็นกระดูกนะมันก็เป็นลักษณะท่านลมเคลื่อนไงมีลมเบื้องบนก็คือลมหายใจนี่ลมในช่องว่างในร่างกายของเราเรื่องก็มีลมเบื้องล่างรู้จักไหมลมเบื้องล่างรู้จักไหมผายลมก็เรียกลมเบื้องล่าง มันเคลื่อนไปทั้งเนื้อทั้งตัวเราก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวรู้เท่ารู้ทันธาดน้ําธาดไฟธาดดินธาดลมตอนนี้สังเกตธาดน้ําคือที่มันแฉะธาดลมก็หายใจอยู่นะธาดดินก็สัมผัสกระทบแข็งๆนะใช่ไหมเราก็สัมผัสได้ธาดน้ําธาดไฟตอนนี้เย็นๆอยู่เนี่ยธาดไฟมันน้อยลงมันก็สัมผัสได้ถ้า ธาตุใดธาตุหนึ่งมันน้อยลงไปป่วยทันทีถ้าพอดีก็รอดเพราะฉะนั้นคุณหมอต้องรู้จักวิชาตั้งธาตุด้วยนะตั้งธาตุวิชาตั้งธาตุน้ําต้องช่วยน้ําดินต้องช่วยดินลมต้องช่วยลมไฟต้องช่วยไฟอะไรพอดีดีหมดอะไรไม่พอดีมากไปน้อยไปไม่ดีทั้งหมดจึงเกิดวิชาแพทย์ขึ้นมาแล้วนะเป็นการเติมเต็มเพราะนั้นโลกกาย โลกกายใช้ยายอยักษ์ละอ า, ายาโลกจิตใช้ปัญญายอหญิงสละอ า, ายาเป็นวัตถุรูปธัรมก็เป็นนามธรรมที่เรามาวัดป่าสวนเราฝึกให้จิตของเรามีปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนาญาณโดยการฝึกกรรมฐานกรรมฐานคือเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเคลื่อนไหวรู้สึกตัว อันนี้ก็พูดให้ฟังวันนี้เราจะกลับมแล้วก็ไปต่อยอดกันต่อไปใครเห็นว่ามันน่าจะมีประโยชน์จริงๆก็ทําต่อไปถึงเรามาสองวันสามวันเรามีประสบการณ์อาจจะเป็นสิ่งที่น่าเบื่อเพราะว่าทําแล้วมันทุกก็ให้ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่มาเราเรามาเรียนรู้เป็นประสบการณ์ตรงของเราครั้งหนึ่งชีวิตของเราเป็นร่องรอยว่ามีเรื่องแบบนี้โลกใบนี้ด้วยนะ เปลเข้าตาจนขึ้นมานะกลับมารู้สึกตัวก่อนเกลียดเรื่องงานกลับมารู้สึกตัวก่อนไม่สบายใจเรื่องอะไรกลับมารู้สึกตัวก่อนเรายามมีความ ร, รู้รู้ตัวกับการเคลื่อนไหวตั้งตื่นยันลับของเราเพวงนี้แหละจะทําให้เราใช้ชีวิตได้อย่างผาสุกต่อไปนะก็ขอให้น ความรู้ึกตัวที่เรามีอยู่แล้วขนาดนี้ยก็พัฒนาต่อยอดไปเนั่องจากเรามีศรัทธาบกคลเรามีปัญญาเราก็เห็นประโยชน์จากคนที่เขาเกิดก่อนบรรพบุรุษของเราเขาคงจะไม่ได้โกหกเราเรื่องศาสนาแล้วเราก็เป็นชาวพุทธเราก็ไม่เป็นชาวพุทธแค่สํานองทะเยอนบ้านเราจะเข้าถึงสภาของพุทธะด้วยการใช้ความรู้สึกตัวเป็นทางเดินแล้วก็ให้น สติศีนสมาธิปัญญาที่มันมีอยู่พัฒนาขึ้นไปเป็นลักษณะของจิตตะปัญญาจิตตะปัญญาคือจิตที่มันมีปัญญาจนกระทั่งเป็นไตรสิกขารู้จักสติศีนสมาธิปัญญาแล้วก็พาเราพ้นทุก์ไม่ใชเป็นทุกเล็กๆหรือทุกมากๆหรือว่าถึงที่สุดแห่งกองทุกในฐานะที่เราเกิดมาเป็นนดก็จงได้พบ กับสิ่งนีนะ้ซึ่งเป็นคุณค่าสูงสุดของชีวิตในประวัติชาตินี้โดยเท่าน่ากันทุกคนทุกท่านเตอ